เนื่องในงานฝังลูกนิมิตพระอุโบสถ ต, ต่อไปนี้ให้พากันตั้งใจสดับธรรมบ้างเล็กน้อยจะได้บรรยายข้อธรรมะเพื่อเป็นการสนองศรัทธาท่านสาธุชนพุทธบริษัท ในการต่อไปนี้หรือในวันนี้เป็นวันที่สุดของงานซึ่งได้ดำเนินการกันมาตั้งแต่วันที่เก้าขึ้นสิบสี่คาำเป็นกำหนดมาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่สำเร็จเรียบร้อยดีกิจการต่างๆก็แปลว่าหมดแต่งานอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นงานบุคคลเป็นสิ่งที่ควรสนใจทําธุระหน้าที่ของตนเรื่อยไปจนกว่าจะหมดลม ฉะนั้นในการต่อไปนี้จึงจะขออัญเชิญทรมาแสดงเพิ่มเติมฝากฝังพวกเราพุทธบริษัท ต, ต่างท่านต่างคนจะได้พากันกลับไปบ้านของตัวการกลับไปบ้านของตัวนั้นก็ควรที่จะมีอะไรติดตัวไปบ้างเมื่อเรามีอะไรติดตัวของเราไปเช่นนั้นของที่ควรเอาติดไปมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่ง เอาไปใช้สำหรับตัวเองอย่างที่สองจะต้องนำไปแจกจ่ายเจือจานแก่ชาวบ้านชาวเมืองตลอดถึงลูกเต้าหลานเหลนของตัวนี้อย่างที่สองนี่ลักษณะของผู้ไปแสวงหาทรัพย์เมื่อตนไปได้ทรัพย์มาจากที่ไหนหรือจะเป็นเครื่องบริโภคอุปโภคส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามเมื่อเรากลับไปถึงบ้านของเราถ้าเราได้มาก ก็แจกจ่ายลูกเต้าหลานเหรนของตนถ้ามันมากไปจนเหลือเฟือในครอบครัวของเราบ้านใกล้เคียงทุกๆบ้านของเราเราก็แจกจ่ายขยายทรัพย์ของตัวนั้นให้เกิดประโยชน์แก่ปวงชนนี้ในยะหนึ่งนยยะที่สองนั้นถ้าตนของตนไปแสวงหาทรัพย์มาได้ในสถานที่ใดที่หนึ่งยังไม่เพียงพอที่จะแจกจ่ายเจือจานเช่นนั้นก็ให้ถนอมทรัพย์ของตัว ซึ่งติดกระเป๋าไปนั้นพยายามรักษาทรัพย์ก้อนนั้นซึ่งหวนทรัพย์ก้อนนั้นให้ค่อยขยายตัวขึ้นมากๆอย่าเอาทรัพย์อันนั้นไปเที่ยวทิ้งไปเที่ยวทําลายให้กระจัดกระจายเราควรจะต้องถนอมทรัพย์ก้อนนั้นให้ขยายตัวขึ้นคือแปลว่าเราได้ไปน้อยไม่สามารถที่จะแจกจ่ายแก่กุลบุตรลูกเต้าหลานเหลน บ้านใกล้เรือนเคียงก็ดีเราก็ควรถนอมไว้ในตัวของเราให้ดีเมื่อเราเป็นผู้รู้จักถนอมความดีของตนได้เช่นนั้นความดีมันก็แก่ขึ้นมากขึ้นเมื่อมันมากขึ้นมากขึ้นจนมันเหลือล้อนหลามเราก็ค่อยๆแจกลูกแจกหลานต่อไปถ้ายัางไม่เป็นที่พอใจของตนก็หามาใหม่แปลว่าไปหาใหม่ พอได้ไปแล้วก็พยายามถนอมไว้นานๆให้พยายามกระทำตัวอยู่โดยอาการเช่นนี้จะได้รับผลประโยชน์หลายทางทางหนึ่งตัวเราเองก็จะมีความสุขทางที่สองยังประโยชน์ของบุคคลผู้อื่นให้สำเร็จเป็นไปด้วยดีนี่เป็นหน้าที่ของเราพุทธบริษัทเมื่อเราไปแสวงหาบุญในถิ่นใดในสถานที่ใด เราต้องสำเนียกอย่างนี้ว่าเราควรที่จะต้องมีทรัพย์ติดกระเป๋าไปบ้านของเราถ้าเป็นก้อนใหญ่ก็จะเอาไปโปรยปลายขยายความดีนั้นให้เกิดประโยชน์ถ้าได้น้อยก็ถนอมรักษาเอาไว้ให้ดีนี่เป็นนักบุญในทางพุทธศาสนาต้องทำอย่างนี้จึงเรียกว่าเราไปหาทรัพย์ของเรานั้นไม่สาบไม่สูญทรัพย์นั้น เป็นเครื่องป้องกันชีวิตของเราเรื่อยๆไปให้ผลประโยชน์ได้ทั้งสองทางทางหนึ่งให้ผลประโยชน์ในชาตินี้ทางที่สองถึงเราจะแตกทำลายหายสูญไปจากโลกนี้บุญกุศลก็ยังเป็นเครื่องชี้แนวทางของเราให้ไปในสถานที่ดีถึงแม้จะมาเกิดในโลกนี้อีกก็ไปเกิดในโลกที่จเจริญไม่ไปเกิดในที่ทุกข์ยาก ลำบากเข็นใจเพราะกรรมสร้างไว้คือความดีนั้นอำนวยผลให้สำเร็จเหตุนั้นแหละนี่เป็นคำสั่งเป็นคำเตือนหรือชี้แนวทางหน้าที่ของเราที่ได้มาร่วมสรรนิบาตบำเพ็ญกุศลโดยอาการต่างๆนี่จงพากันกำหนดจดจำไว้ให้ดีตอนนี้จะได้นำความรู้สึกในตนของตนมาบรรยายให้พวกเราท่านทั้งหลายฟัง ฉะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจตั้งสติอารมณ์ของเราให้เยือกเย็นเป็นสุขปลอดโปรง่งใจของเรานั้นไม่ให้มีอะไรเกี่ยวข้องในสัญญาอารมณ์ต่างๆให้ใจสว่างสวัยเบิกบานแจม่มแจ้งขึ้นในปัจจุบันนี้ณบัดนี้จะได้นำซึ่งธรรมะมาแสดงเพื่อเป็นการฝากฝังมอบหมาย ให้แก่พวกเราพุทธบริษัทซึ่งได้พากันมาประชุมสันนิบาตกันในวัดนี้เรื่องการมาของพวกเราทั้งหลายนั้นทั้งฝ่ายคฤือหัดและบรรพชิตซึ่งมีดวงจิตประกอบไปด้วยกุศ ล, ลธรรมได้มาจากสถานที่ต่างๆหลายจังหวัดแต่การมาของพวกเราเหล่านั้นมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเนื่องด้วยการเชิญชวนรับแจก ใบกำหนดการแล้วก็มาร่วมบําเพ็ญกุศลชุมนุมกันในสถานที่นี้เป็นเวลาอยู่สิบเอ็ดวันและอีกนแผนกหนึ่งไม่ได้ออกใบกําหนดการส่งข่าวไปถึงและไม่มีบัตรเชิญพอได้ทราบข่าวแววแววผ่านโสดของตนแล้วก็มีเจตนาดีคือมีเจตนาดีนั้นมีอยู่สองทางทางหนึ่งมาเห็นว่าการทําเช่นนั้น เป็นการบุญการกุศลของพวกเราว่าเขาจะไม่ได้เรียกไม่ได้เชิญก็ตามแต่เป็นคุณงามความดีส่วนหนึ่งเราต้องมาบางท่านก็มีเหตุการณ์อย่างนี้จนตลอดถึงพระเนนก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ทราบข่าวแล้วก็ได้พากันมาร่วมอกร่วมใจลักษณะเช่นนี้เป็นเจตนากุศลให้สำเร็จขึ้นในดวงใจของท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคน บางท่านก็เห็นว่าเป็นเพื่อนเป็นหมู่เป็นคณะเป็นครูบาอาจารย์แม้ท่านไม่เรียกไม่ขานเราก็ควรไปบางท่านก็คิดเห็นเช่นนี้แล้วก็ได้มาร่วมสันนิบาตประกอบกิจการต่างๆให้สำเร็จจนบัดนี้ลักษณะทั้งหลายเหล่านี้ผู้แสดงบรรยายมานี้จึงขอแสดงความขอบอกขอบใจแก่ท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเพราะงานอย่างนี้ เป็นงานที่มากมายหลายอย่างหลายหน้าที่ถ้าแม้ตนจะทําไปโดยลําพังตนเองนั้นเชื่อแน่ว่าไม่สําเร็จในกิจการเหล่านี้การสําเร็จรุล่วงมาด้วยดีนั้นเป็นคุณงามความดีของท่านทั้งหลายซึ่งได้มาด้วยสองหน้าที่ดังกล่าวที่นี้การที่มาให้สําเร็จกิจการเหล่านี้ลงไปเช่นนั้นพวกท่านทั้งหลาย ก็จะได้รับผลสองประการประการที่หนึ่งเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลไม่ต้องสงสัยเลยประการที่สองนั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลนั้นคือแปลว่าเราไม่เคยมาในที่นี้เราไม่รู้จักคุ้นเคยกับท่านแต่ทราบว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลก็พากันมาด้วยความหวังบุญหวังกุศลอันนี้เรียกว่า เป็นบุญกุศลอยู่ผ น, นกหนึ่งอีกผ น, นกหนึ่งก็อย่างกล่าวมานั้นแหละในฐานะที่เป็นสนุสิทธิ์บ้างในฐานะที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันบ้างในฐานะที่ร่วมครูบาอาจารย์เดียวกันบ้างเมื่อตั้งใจมาช่วยเหลือกิจการธุระเหล่านี้ด้วยความพอใจของตนอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งและผลที่จะต้องพึงได้รับก็คือ บุญกุศล น, นี้อย่างหนึ่งและคุณประโยชน์นี้อย่างที่สองบุญกุศล น, นั้นเป็นเรื่องตนของตนเองจะรับผิดชอบในตนของตนเองส่วนคุณนั้นผู้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างนั้นก็เป็นผู้ไม่ได้ลืมบุญคุณของท่านทั้งหลายยังมีสัญญาฝังไว้ในดวงจิตว่าเราทํางานในปีนั้นเวลานั้นเพื่อนฝูงหมูนะ่คณะสารู้สิท์ ได้มาช่วยเหลือเราเมื่อกิจธุระอันใดเกิดขึ้นในฐานะที่มีความสามารถก็คงจะมีโอกาสไปสนองคุณพวกท่านทั้งหลายได้ตามกำลังอันนี้ใครจะเรียกขานก็ตามไม่เรียกไม่ขานก็ตามแม้จะไปได้ก็ตามไปไม่ได้ก็ตามแต่ความเจตนาที่จะทำให้พวกเราเหล่านั้นได้ดีขึ้นในฐานใดฐานหนึ่ง ก็ยังไม่วหวที่จะต้องคิดนึกแม้ทางกายไปไม่รอดทางวาจาพูดไม่ถึงแต่ดวงจิตเมื่อได้ทราบข่าวกุศลเกิดขึ้นโดยวิธีใดก็มีขนทางที่จะสนับสนุนช่วยเหลือกันอยู่ด้วยการมาระลึกถึงคุณบุญกุศลส่วนใดที่ตนได้ก่อสร้างไว้ก็จะได้ตั้งใจแผ่เมตตาจิตอุทิศกุศลผลที่ทานั้นหลั่งไหลลงไป ให้แก่พวกท่านทั้งหลายเปรียบเหมือนกับว่าพวกเราไปทาไร่ทานาอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเมื่อเราไปปลูกข้าวหรือทาไร่ทาสวนถ้าหากว่าพวกเราไปเกิดความกันดานเกิดขึ้นเช่นฝนไม่ตกน้ำมันแห้งเมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องมีหน้าที่ประกอบขึ้นตัวอย่างเช่นหาน้ำมาใส่หรือว่าเราจะกั้นหัวคันนา เมื่อหากว่าไม่สามารถจะไปกั้นช่วยไม่สามารถจะไปหาบน้ำขี่น้ำมาช่วยถ้าได้ทราบข่าวพวกเราอดอยากกันเช่นนั้นผู้ที่มาระลึกถึงคุณท่านทั้งหลายนั้นก็จะเจริญเมตตาจิตการเจริญเมตตาจิตนั้นเป็นของลึกลับเป็นของที่มองเห็นได้ยากเหมือนกับไฟที่มันออกไปจากลูกตาของเรา ไฟที่จะต้องพุ่งไปในอากาศนั้นมีทุกคนเหมือนกับว่าไฟรถยนต์ที่เขาฉายไปตามถนนฉะนั้นแหละแต่ไฟในตาคนนั้นมันอ่อนแม้เราจะมองไปที่ไหนก็ไม่เห็นแสงไฟผ่านเพราะกระแสะอ่อนกระแสะอ่อนนี่จึงไปได้ไกลถ้ากระแสะกล้านั้นไปได้ใกล้ดวงใจผู้บำเพ็ญสมาธิ เมื่อสมาธิตั้งมั่นจึงสามารถที่จะมองเห็นโลกลึกลับคือธรรมชาติไฟในตานั้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าใช้การไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตไม่สงบถ้าจิตไม่สงบก็เหมือนกับคนที่วุ่นวายอยู่มัวแต่ยุ่งมัวแต่วุ่นมัวแต่วายอยู่เมื่อจิตวุ่นวายอยู่โดยอาการเช่นนี้อำนาจจักสุคือดวงตาเรา ถึงจะมีไฟใช้อยู่ก็ตามไม่สำเร็จประโยชน์เพราะไฟนี้เป็นไฟที่อ่อนและเป็นไฟที่ละเอียดวิ่งได้ไกลมากเสียแต่อย่างเดียวคือจิตไม่สงบถ้าจิตสงบก็จะมองเห็นทางไกลได้ทันทีเรียกว่าทิพยจักษุนี่เป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมดาซึ่งเป็นอยู่ในมนุษย์และเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในมนุษย์ ถ้าใครใจอ่อนคลื่นทั้งหลายตัดไฟขาดสะบัน้นถ้าใจของใครเข้มแข็งแก่กล้าคลื่นต่างๆในโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาตัดกระแสไฟในตาของบุคคลผู้นั้นฉะนั้นถึงแม้จะลืมตาก็อาจจะมองเห็นไกลได้จะหลับตาก็อาจจะมองเห็นไกลได้นี่กล่าวถึงคุณภาพในร่างกายของมนุษย์คุณภาพ ของร่างกายนั้นก็เป็นของมีคุณภาพสูงอยู่โดยธรรมชาติแต่มันใช้การไม่ได้เพราะคนเจ้าของนั้นหนะักเป็นคนที่มีจิตฟุง้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านเช่นนั้นก็เหมือนคนดื่มสุรากำลังเมาจัดถึงแม้จะมีเครื่องมือใช้สอยอยู่ในอำนาจก็ไม่สำเร็จประโยชน์นอกจากจะต้องใช้อาวุธไปประหัดประหารกันเท่านั้น ถ้าหากว่าคนนั้นเป็นคนดีอาวุธมันก็จะเป็นเครื่องสะสมก่อสร้างสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาบำรุงร่างกายให้เป็นสุขถ้าคนนั้นเป็นคนวิกลจริตมีมีดมันก็จะไปผ่าหัวคนเป็นเหตุให้พาตนไปติดคุกติดตารางถึงไม่ติดคุกติดตารางในส่วนภายนอกก็จะต้องเข้าห้องขังหรือกรงในบ้านของตัวเอง นี่ฉันใดมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้แม้มีธรรมชาติดีๆนี้ในตัวนี้ก็ตามแต่ดวงจิตนั้นยังไม่เป็นปกติของดีๆในตัวนี้ก็จะกลายเป็นโทษไปต่างๆนี้กล่าวถึงหลักธรรมชาติที่นี้กล่าวถึงเรื่องลึกลับในเรื่องจิตในเรื่องกุศลมันยิ่งลึกลงไปกว่าร่างกายนี้ฉะนั้น การที่ช่วยเหลือกันในทางจิตยิ่งลึกไปกว่านี้อีกถ้าบุคคลผู้ฝึกหัดดวงจิตของตนฝึกฝนอย่างดีจนได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อตนของตนได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อได้ทราบข่าวความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่บวงชนตนเห็นมีหนทางจะช่วยเหลือได้ก็ใช้อํานาจในทางจิตบําเพ็ญจิตให้ตั้งมั่น ก็สามารถที่จะส่งกระแสะอันนั้นให้แล่นเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีท่านเปรียบว่าคนธรรมดาสามัญ น, นี้เหมือนกับน้ำเค็มที่อยู่ในมหาสมุทรน้ำเค็มในมหาสมุทรนั้นจะอาบก็ไม่สบายกายไม่สบายจิตแต่พอแก้ขัดได้บ้างอาศัยการผสมขึ้นเราจะดื่มจะกินก็ไม่สามารถที่จะบำรุงร่างกายของเราให้เจริญได้ นอกจากไม่มีจริงๆก็คงพอจะแก้ไขได้เหมือนกันนี่ฉันใดก็ดีดวงใจของมนุษย์อยู่ในโลกนี้ก็ชื่อว่าลอยอยู่ในมหาสมุทรที่ท่านเรียกว่ากามะโอคะภาวะโอคะอวิชชาโอคะทิฏฐิโอคะทั้งสี่มหาสาครนี้เป็นมหาสมุทรอันลึกลึกยิ่งกว่ามหาสมุทรที่เป็นน้ําอยู่ในทะเลพวกเรา ก็อาศัยดวงจิตซึ่งไหวยอยู่ในมหาสมุทรจมอยู่กับน้ําเค็มเหตุนั้นบางคนถ้าน้ํามาเค็มจัดๆคลื่นมากๆนอนกลิ้งเหมือนกับลูกคลื่นอย่างนั้นแหละนอนไม่หลับพลิกไปข้างซ้ายมันก็ไม่หลับพลิกไปข้างขวามันก็ไม่หลับมันเลยเป็นคลื่นคลื่นมันมาจากไหนมันก็มาจากมหาสมุทรกล่าวคือกามโอคะคลื่น คือเรื่องของกามพัสดุกามกิเลสกามนี้ภาวะโอคะคลื่นก็คือภาวะความอยากมีอยากเป็นดิ้นรนขนขววยพยายามให้พ้นไปจากภาวะของตัวทิฏฐิโอคะถือรั้นยึดมั่นในความคิดเห็นของตนถ่ายเดียวเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทอันนี้ก็ชื่อว่าเราลอยอยู่ในน้ําเค็ม อวิชชาโอคะได้แก่อวิชชาความมืดคือมืดข้างหลังไม่รู้เรื่องอดีตมืดข้างหน้าไม่รู้เรื่องอนาคตมืดปัจจุบันอันใดเป็นความดีอันใดเป็นความชั่วในตัวนั้นไม่เคยนึกคิดปล่อยดวงจิตให้หลงไปตามโลกตามสงสารอย่างนี้ชื่อว่าอาวิชชาธรรมดาดวงจิตของมนุษย์พุทธบริสัทธ์ท่ทองไหว้กันอยู่ โดยอาการอย่างนี้เหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณต้องการให้พวกเราสร้างบุญสร้างกุศลท่านจึงทรงแนะนําพวกเราให้พากันบําเพ็ญฐานบ้างพากันสร้างเรือบ้างเรือก็คือได้แก่ร่างกายของเราส่วนทะเบียงที่จะต้องข้ามมหาสมุทรนั้นได้แก่ปัจจยยถาตัซึ่งพวกเราพุทธบริษัทได้พากันมาเสียสละ อันเป็นประโยชน์แก่วัดวาอาวาสเรียกว่าบำเพ็ญทานการกุศลถ้าใครทำมากก็จะไปข้ามมหาสมุทรได้เพราะมีอาหารกินถ้าใครทำน้อยสเสบียงหมดบางทีก็จะไปเทงเต้งอยู่กลางทะเลบางทีคลื่นซัดขึ้นไปบนบกรอดตัวถ้าหากว่าคลื่นมันใหญ่เรือลำเล็กมันก็ไม่สามารถที่จะท่องขึ้นไปถึงหาดถึงทรายได้ ก็จะจมลงไปในมหาสมุทรสาครนี่พระองค์ได้ทรงพิจารณาโดยอาการอย่างนี้ท่านจึงได้แนะนำพวกเราว่าจงพากันสร้างคุณงามความดีขึ้นเถิดคุณงามความดีของพวกเรานั้นก็คือคุณงามความดีที่เกี่ยวถึงพวกทัพย์คุณงามความดีก็ได้แก่ประพฤติปฏิบัติซ่อมแซมตัดแปลงเยียวยาร่างกายของเรา ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องได้รับผลสองอย่างอย่างหนึ่งเรือของเราก็จะไม่จมอย่างที่สองสเสบียงเรามากเราก็สามารถที่จะข้ามอ่าวมาหาสมุทรไปได้ธรรมดาคนที่มีเรือเดินข้ามสมุทรมีสเสบียงติดเรือไปนั้นบางคนก็จะหมดน้ําดื่มน้ําบริโภคแม้สเสบียงอื่นยังมีอยู่ก็ลําบาก เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงค้นวิชาให้อีกอย่างหนึ่งให้กลั่นน้ำเค็มนี่แหละกินเมื่อเรามีปัญญาก็สามารถกลั่นน้าเค็มกินเราก็จะไปถึงประเทศอเมริกาโดยไม่ต้องแวะบกกินน้ำเค็มนั่นแหละคือมีปัญญามีปัญญายังไงคือน้ำเค็มมันก็มาจากน้ำจืดน้ำจืดมันก็จะต้องกลายเป็นน้าเค็ม เมื่อมีเค็มที่ใดมันก็มีจืดที่นั่นมันหนีจากกันไม่ได้เมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นโดยอาการเช่นนี้คนนั้นก็จะเดินข้ามมหาสมุทรได้รอบโลกแล้วก็เป็นจริงๆด้วยถ้าเรากลั่นเป็นน้ําเค็มของเรานั่นแหละมันจะกลายเป็นน้ําจืดเมื่อเราสามารถที่จะทําน้ําเค็มให้เป็นน้ําจืดได้เช่นนั้นก็สบายเราจะไปอยู่ในทะเลเราก็ได้กินน้ําจืด ได้ใช้น้ําจืดชําระสริระร่างกายก็สบายดีอันนี้ฉันใดพวกเราที่พากันไหว่อยู่ในมหาสมุทรสาครกล่าวคือโลกนี้ก็เหมือนกันเราก็จะต้องหนึ่งยาเรือของเราให้มันดี 2. ขนสเสบียงใส่เรือของเราให้มันเพียงพอสค้นหาวิธีกลั่นน้ําเค็มให้มันเป็นน้ําจืดเรือนั้นก็คือ ได้แก่ร่างกายของเราลำไม่โตถ้ามันโตยิ่งกว่านี้ก็จะลําบากมากมนุษย์ร่างกายของเรากว้างมันก็สอกเรียกว่ากว้างศอกยาววาหนาคืบนี่เรือนี้แหละเรือลํานี้เราจะต้องยาให้ดีการยู๋ยาเรือของเรานั้นได้แก่การสังวรเรียกว่าอินรียาสังวรรศีนมีการสํารวมตาระมัดระวัง อย่าให้เกิดบาปเกิดกรรมอย่าให้ตัวเพียงมาเกาะสำรวมหูได้แก่การที่พวกเราระมัดระวังอย่าให้สิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมเข้ามาในหูของเราสิ่งเป็นบาปเป็นกรรมนั้นมันเป็นตัวเพียงทางจมูกลิ้นกายใจของเราก็เหมือนกันสิ่งใดจะเป็นบาปเป็นโทษเราจะได้สนใจในสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้น เห็นว่ามันเป็นเพียงมันเป็นตัวมอดมันเป็นสิ่งที่จะต้องทําเรือของเรานั้นให้ผุให้พังนี่ท่านจึงสอนให้สํารวมกายสํารวมตาสํารวมหูสํารวมจมูกสํารวมลิ้นจนตลอดสํารวมใจของเราสิ่งใดไม่ควรทําที่เป็นกรรมเป็นโทษเราอย่าไปทําเราควรที่จะต้องปกปิดระมัดระวังสํารวม พิจารณาดูให้ดีเสียก่อนเมื่อเพียงมันมาเกาะกายของเราทั้งก้อนเรือกล่าวคือกายนาวานี้ก็จะสึกหรอหรือเสียหายเป็นเหตุให้จมลงในมหาสมุทรได้ทางหนึ่งใจของเราก็อีกทางหนึ่งอย่าให้พวกกิเลสมาเกิดขึ้นในดวงจิตเราจะต้องระมัดระวังสำรวมอยู่อย่างนี้เป็นนิดเมื่อเรามีอยู่ยา มีการที่จะยาอยู่เสมอในอายตนะทั้งหกของเรานี้เราก็ยาอยู่เป็นนิดตาก็ต้องยาด้วยรูปหูก็ต้องยาด้วยเสียงจมูกจะต้องยาด้วยกลิ่นลิ้นจะต้องยาด้วยรสกายจะต้องยาด้วยสัมผัสใจจะต้องยาด้วยธรรมะยาตานั้นก็คืออะไรทิพย์พญเนธสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศล เป็นประโยชน์นอกวัดก็ตามในวัดก็ตามเมื่อเราพบผ่านอย่าเมินเฉยเราควรจะต้องเพิ่มเติมสิ่งขัดข้องอันนั้นให้เต็มขึ้นโดยลําดับนี่เรียกว่ายาตายาหูทีนี้เมื่อเราได้ฟังสิ่งใดเขาจะมีเจตนาบอกเราก็ตามสอนเราก็ช่างไม่สอนก็ตามเมื่อเราได้ฟังเสียดหูเข้าไปให้นึกว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นคุณงามความดีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนจะเป็นคนชนิดไหนก็ช่างจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีสูงต่ำดำขาวประการใดยกเลิกเราจะต้องเลือกเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนใดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนเราควรที่จะต้องสนใจฟังในสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าเสียงเป็นเครื่องยาหู คือหมันเรียกว่าเปรียบคล้ายๆกับตอกหมันเรือเมื่อเราไปผ่านกลิ่นที่จะผ่านมาทางจมูกของเรากลิ่นอันใดที่จะให้เกิดความเบิกบานใจเป็นสิ่งจะไหลามาซึ่งบุญกุศลน้อยใหญ่เราก็ควรแสวงหากลิ่นอันนั้นมายาจมูกของตนเป็นเหตุให้ดวงใจได้รับความร่มเย็นเป็นสุขยากายทีนี้ได้แก่พวกเรา พาการมานั่งฟังเทศด้วยความสงบประงับไม่จุนจ้านได้แก่การมาเจริญกรรมฐานนั่งฟังเทศสวดมนต์เดินเวียนเทียนใช้กายเรายกขึ้นกราบนอบน้อมนมัสการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเบญจางข้าประดิษฐ์อันนี้ก็เหมือนกับตอกหมันเรือเรียกว่าเครื่องยากายส่วนยาใจนั้นเป็นธรรมโอสถ เราจะต้องอยาด้วยการนึกและการคิดสิ่งใดเมื่อเราคิดไปใจเสียอย่าไปคิดจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ช่างแต่เป็นเหตุให้ดวงจิตนั้นเกิดความโกรธเกิดความหลงอย่าไปสนใจในเรื่องนั้นเราจะต้องหวนระลึกในทางบุญกุศลที่เราได้สรับสร้างมาในปางก่อนตัวอย่างเช่นพวกเราได้พากันมาระลึกถึงความดี ในปี2500นอนั้นมาบัดนี้ถึงจะพัดพรากจากกันไปอยู่ไกลๆก็ตามก็ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลกันอีกครั้งหนึ่งคือมานึกถึงสภาพเดิมนี่ก็ชื่อว่าเป็นเครื่องยาจิตนอกจากนั้นก็พากันพยายามบำเพ็ญความดีชิ้นหนึ่งเรียกว่ามาเจริญสมาธิการเจริญสมาธินั้นก็ชื่อว่าเป็นการยาดวงจิตดวงใจของเรา อย่าปล่อยใจของเราให้มีช่องโบเกิดขึ้นอันนี้ชื่อว่าเป็นการยาเรือของเราได้แก่ร่างกายในบาลีเรียกว่าอินรียะสังวรศีนมีการสำรวมตามีการสำรวมหูมีการสำรวมจมูกลิ้นกายจิตเรือของเราก็จะลอยอยู่ในมหาสมุทรไม่มีจมแหละนี่เรียกว่ายาเรือทีนี้ เรือเรานั้นเราจะทำยังไงเราจะต้องขนของใส่ได้แก่การที่พวกเราได้เกิดมาในโลกนี้มีความสุขอาศัยปัจจัยธาตุมีการบริโภคอาหารมีการนุ่งผ้าผ่อนท่อนสบายมีการอาศัยเกหะสถานบ้านเรือนเป็นที่อยู่มีการอาศัยกีฬาณเพศมาเยียวยาอัตภาพร่างกายจึงมีความสบาย ร่มเย็นเป็นสุขมาถึงเพียงนี้เมื่อเรามาพิจารณาเห็นโดยอาการเช่นนี้ก็มาหวนระลึกถึงความเป็นอยู่ของคนอื่นเมื่อตัวของเราเห็นในตัวเองเช่นนี้ก็พากันขนซึ่งปัจจัยธาตุเช่นถวายอาหารบิณฑบาตเป็นทานถวายปัจจัยธาตุเพื่อให้สําเร็จในปัจจัยทั้งสี่อันนี้ชื่อว่าขนของใส่เรือต่อไปก็พากัน กลางใบขึ้นบนอากาศได้แก่เชิญหรืออาราธนาพระสงฆ์ขึ้นบนธรรมาทิศแล้วก็กล่าวประกาศแสดงธรรมะเพื่อเป็นการขับต้อนดวงจิตของเราให้น้อมไปในทางที่ดีที่ชอบดวงจิตนั้นก็จะวิ่งจีไปตามกระแสธรรมร่างกายก็ไปด้วยตัวอย่างเช่นพอฟังเทศแล้วก็เป็นที่พออกพอใจอยากฟังอีกอยากไปอีก นี่แหละเรือของเรากำลังถูกลมพัดเรือก็วิ่งเร็วลมก็แรงเป็นเหตุให้เรือของเรานั้นวิ่งถึงฝั่งได้ง่ายนี่ถ้าไม่มีใบเป็นเครื่องส่งเสริมขนของใส่มากมันหนักมันก็จะจมได้เช่นเดียวกันเหตุนั้นเมื่อทาบุญให้ทานการกุศลจึงนิยมมีการแสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องขับต้อนผลักดันดวงจิตของเราเหล่านั้น ให้แล่นไปตามกระแสธรรมเรือเราจะเดินได้นั้นจะต้องอาศัยใบของมากน้อยเพียงใดก็จะวิ่งไปตามความต้องการของบุคคลที่ขี่นี่ประการที่สองประการที่สามนั้นวิธีกลั่นน้าเค็มให้มันเป็นน้ำจืดได้แก่การมาเจริญสมถกรรมฐานมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาโดยวิตกวิจารให้เกิดขึ้น ในตนของตนน้ำเค็มคืออะไรก็คือกิเลสไอเจ้ากิเลสนี่มันเค็มมากยิ่งกว่าเกลือเอาเกลือมากินเสมอนิดๆหน่อยๆเราก็ว่ามันเค็มกลืนไม่ได้แต่กิเลสนะมันเค็มยิ่งกว่าเกลือไปอีกมันอาจสามารถที่จะไปอาบคนนั้นให้เปื่อยให้เน่าให้เสียหายด้วยระการต่างๆนี่เมื่อเป็นอย่างนี้จะทาอย่างไรเราต้องกลั่น หรือกรองการกรองนั้นเรียกว่าโยนิโสมนาสีการเมื่อเราจะบำเพ็ญสิ่งใดก็ไตรตรองพินิษพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนนี่เป็นมอกลั่นลูกที่หนึ่งมอกลั่นลูกที่สองนั้นได้แก่การที่มาเจริญกรรมฐานมาพิจารณาสังขารของตนโดยอุบายแยบายมาเจริญองชานให้เกิดขึ้นได้แก่การวิตกมาตร หรือมานึกถึงอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของดวงจิตเรียกว่าโคจรธรรมจะเป็นเครื่องชักนําดวงจิตของเราให้สัญจรไปในทางที่ถูกได้แก่การมาเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี่เป็นวิธีกลั่นน้ําเข็มการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนา ธรรมานุปัสสนาทั้งสี่ประการนี้ซึ่งมารวมอยู่กับกายและจิตนี่โดยในยะหนึ่งเรียกว่าอนุโลมส่วนปฏิโลมนั้นสี่ให้เป็นหนึ่งหนึ่งในสี่สี่ในหนึ่งนี่เป็นส่วนปฏิโลมอนุโลมนั้นก็คือได้แก่วิตกวิจารณ์นั่นเองแหละเมื่อเรามาพิจารณาสี่ให้เป็นในหนึ่งคือในอวัยวะของเรา เราจะยกเอาแต่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งดังบาลีที่ปรากฏอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่ากายในกายเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์ของสมถะได้ทางหนึ่งคือทั้งสี่ส่วนประทุมกันเข้าแล้วก็รวมมาเรียกว่ารู ป, ปรกายนธาตุดินน้ำลมไฟะสมกันเป็นก้อนนี่ท่านเรียกว่ากายเมื่อเราเห็นว่ามันมากหลายอย่างหลายชนิดพาจิต ฟุ้งซ่านไม่สงบเราก็เลือกเอาแต่ส่วนโดยเอกเทศตัวอย่างเช่นาธาตุไฟเราทิ้งาธาตุดินเราทิ้งาธาตุน้ําเราทิ้งเราจะนิ่งอยู่เฉพาะาธาตุลมอย่างเดียวเราก็จ่อลงไปในาธาตุลมที่เรานึกนี่เรียกว่ากายในกายาธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อเรามาตั้งสติกําหนดจดจ้อง มองกันอยู่อย่างนี้เป็นนิดนี่เรียกว่าเจริญกายในกายลมเข้าเราก็มองลมออกเราก็มองสำรวจเรื่อยไปบางคราวก็หยาบบางคราวก็ละเอียดบางคราวก็เย็นบางคราวก็ร้อนถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเถิดบางคราวก็จวนจวนที่จะถึงของดีก็มีความท้อถอยเสียธรรมดาที่เราต้มน้านั้นมีอยู่สองประการ ประการหนึ่งถ้าไฟมันแรงมันเดือดมากเป็นเหตุให้น้าเป็นไอมากเดือดทั่วหม้อไฟเราดับบางคราวไฟมันอ่อนน้ำไม่เดือดไอไม่เกิดบางคราวก็พอดีพอดีไม่อ่อนมากนักไม่แรงมากนักเป็นพอปานกลางเรียกว่ามัชิมาปฏิปทาไฟเราก็พอดีพอเหมาะพอเกิดไอขึ้น ไม่ถึงกับจะต้องไปดันฝาละมีให้เปิดแต่มันมีไอออกมาตามหม้อตามไหที่เรากลัน่นไอที่มันออกมามันกลายเป็นน้ำจืดอันนี้แหละท่านจึงให้สังเกตดูเมื่อเราต้องการอยากให้มันเป็นมากๆใจของเราก็ไม่สงบลมก็กาเริบไม่ละเอียดนี่คือความอยากเข้าไปแทรกบางคราวก็อ่อนเกินไปนั่งสงบใจลมก็ละเอียด เบาหลับไปเลยอย่างนี้ก็ไม่สุขเราต้องปรุงให้ดีให้พอเหมาะพอสมให้มีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่เป็นนิดดวงจิตเราจะอยู่กับลมหยาบเราก็ทราบดวงจิตจะอยู่กับลมละเอียดเราก็ทราบเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะประจำอยู่โดยอาการเช่นนี้ผลที่มันเกิดขึ้นนั้นก็คือได้แก่ปีติกายก็สบายกายเบา กายสงบกายก็เย็นเยือกดวงจิตนั้นก็รู้สึกว่าอิ่มน้ำสำราญเบิกบานใส่แ๋วอยู่ในองค์สมาธินี่แหละมันเกิดน้ำจืดละทีนี้น้ำเค็มมันก็หายไปกามชันทะก็หายไปพยาปาทะความพยาบาทก็หายไปธีนามิทะความโงกง่วงก็หายไปอุทธจัจักกุกุจจะความพุ้งซ่านรำคาญจิตก็หายไป วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยปล่อยใจวิ่งไปในทางอดีตปล่อยใจวิ่งไปในทางอนาคตปัจจุบันนั้นก็ไม่รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อจิตเรานิ่งลงไปใจละเอียดก็จะเกิดความสงบขึ้นก็มีความสุขใจก็อิ่มหนำสำราญเบิกบานใจสามารถที่จะนั่งอยู่ได้หลายชั่วโมงอันนี้แลชั้นใด ใครเอาน้ำจืดลงไปในเรือเสมอตุ่มหนึ่งเมื่อมีปัญญากลั่นน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดน้ำตุ่มนั้นก็จะเป็นสิ่งอัศจรรย์เราสามารถที่จะกลั่นน้ำเค็มกินได้รอบโลกเหตุนั้นผู้เจริญสมาธิเมื่อเกิดมีวิตกยกดวงจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นตัวปฐมฌานขั้นหนึ่งวิจารณ์พิจารณากรรมฐานของเราให้มันละเอียดอยู่เป็นนิดเมื่อกายของเรา ก็ได้พิจารณาคัดเลือกด้วยดีดวงจิตของเราก็ได้พินิษพิจารณาเห็นโทษในนิวรณ์ทั้งห้าอย่างต่อห น, นั้นกายก็จะสงบเรียกว่ากายญปัสสติดวงจิตก็จะเงียบเรียกว่าจิตตปัสสธิกายก็สบายไม่มีอาการเจ็บปวดเมื่อยมึนมีความเบากายเรียกว่ากายยัละหุตาอันนี้ก็เป็นปิติเกิดขึ้น ดวงจิตนั้นก็อิ่มน้ำสำราญไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเหมือนกับคนได้กินอาหารอิ่มหรือลูกได้กินอาหารอิ่มย่อมไม่รบกวนซึ่งพ่อแม่ของตนสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อใจของตนมีปิติเป็นเครื่องกำกับนั้นก็จะหมดไปจากความกระวนกระวายดวงใจนั้นก็มีความเย็นน้ำจืดซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำเค็มก็จะต้องอาศัย เป็นเครื่องอุปโภคจะได้พากันซักฟอกผ้าสเสบียงผ้าสบของเราทั้งหลายเป็นเครื่องที่จะต้องอาบผิวหนังต่อา น, น, นก็จะต้องพากันซักฟอกคือธาตุดินก็เป็นผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งธาตุน้ําก็เป็นผ้าขี่ริ้วผืนหนึ่งธาตุลมก็เป็นผ้าที่ริ้วผืนหนึ่งธาตุไฟก็เป็นผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งมันคอยขาดคอยเศร้าคอยหมองต้องเยียวยาอยู่เป็นนิด เมื่อมีดวงจิตเป็นองค์สมาธิให้เกิดขึ้นอำนาจปิติก็จะมาซักฟอกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟต่อไปจะต้องการร้อนก็ไม่ต้องไปตากแดดต้องการหนาวก็ไม่ต้องไปตากลมอยู่แดดต้องการเย็นก็เย็นอยู่น้ำต้องการอุ่นก็อุ่นก็สบายกายสบายจิตเหมือนคนที่มีผ้าปกปิดร่างกายจะไปในสังคมใดๆ ก็ไม่เก้อเขินอันนี้แหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงไม่กลัวลำบากไม่กลัวลำบากเพราะเหตุใดเพราะมีเครื่องอาศัยมีน้ำจืดมีน้ําอาบมีน้ำกินเครื่องอุปโภคก็สำเร็จคือได้แก่นํามาฟอกร่างกายฟอกตาหูจมูกลิ้นกายจิตฟอกธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟนี่ชื่อว่าเครื่องอุปโภค ต้องการบริโภคคือจะดื่มเข้าไปนั้นก็มาเจริญธรรมะเบื้องบนให้ดวงจิตนั้นเกิดปิติมีความสุขความสุขก็เกิดขึ้นในดวงจิตเมื่อดวงจิตมีความสุขกายก็มีความสุขใจก็มีความสุขดวงจิตก็ดื่มตั้งแต่ความสุขสุขทั้งหลายจะยิ่งไปกว่าความสงบจิตไม่มีเหตุนี้ปิติเป็นเครื่องอุปโภค เป็นเครื่องชำระร่างกายและดวงจิตโดยเอกเทศส่วนความสุขนั้นเป็นเครื่องชำระดวงจิตถ่ายเดียวฉะนั้นเมื่อใครมีปัญญามากลั่นน้ำเค็มให้กลายเป็นน้ำจืดก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขนี่เป็นหม้อกลั่นโรงที่หนึ่งโรงที่สองกลั่นแล้วยังมีสิ่งอื่นที่จะเหลืออยู่ก็ต้องกลั่นให้ละเอียดตัวอย่างเช่นเขากลั่นซึ่งน้ำตาล บางประการก็ยังมีแอลกอฮอล์ติดอยู่แล้วก็ขึ้นไปในหม้อที่สองก็ยิ่งเป็นของละเอียดอันนั้นได้แก่การมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นของละเอียดไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาแต่ยืนอยู่ก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานจะนั่งอยู่ก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานจะนอนหรือแม้จะนั่งเทศนาอยู่ปากก็พูดดวงจิตก็คิดนึกตามอารมณ์ เมื่อตนของตนจะแต่งคําพูดก็ดีหรือเป็นจิตตสังขารที่เกิดขึ้นโดยลำพังตนก็ดีไม่ติดการยสังขารคือความเป็นอยู่ของร่างกายไม่ติดวจีสังขารคือได้แก่การนึกคิดเพื่อจะแต่งคําพูดให้คนอื่นสดับคําพูดของตนก็ไม่ติดดวงจิตก็ไม่แล่นไปตามส่วนความคิดนึกเกิดขึ้นจากอวิชชาตันหาก็มีความรู้เท่าทันดวงจิตนั้น ไม่ไปเกี่ยวข้องกายสังขารไม่เกี่ยวข้องวจีสังขารไม่เกี่ยวข้องจิตตสังขารดวงจิตก็จะเป็นวิมุตตหลุดออกจากสังขารทั้งหลายขึ้นเชื่อว่าสังขารเกิดขึ้นย่อมมีความแปรมีความดับไปในที่สุดกายสังขารก็เช่นเดียวกันวจีสังขารจิตตสังขารก็เช่นเดียวกันเมื่อมาเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสามั ญ, ญลักษณะ มีสภาพเสมอกันเมื่อไตร่ตรองเห็นไปในอนิจจังไม่เที่ยงหมุนเวียนอยู่เป็นนิจทุกขังเป็นทุกขทนอยู่ได้ยากอนัตตาไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามอํานาจของตนตนนั้นจะยืนอยู่ก็าตามจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนจะประกอบกิจกายกรรมอยู่ก็าตามจะประกอบวจีกรรมอยู่ก็ช่างแม้จะนั่งนึกอยู่คนเดียวก็าตาม คุณงามความดีทั้งหลายก็จะไหลามาอยู่เป็นนิดอันนี้ชื่อว่าผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานคนนั้นสามารถที่จะตั้งโรงกลั่นอย่างใหญ่โตสามารถที่จะทำน้ำมหาสมุทรให้กลายเป็นก้อนเมฆเมื่อสามารถที่จะทำน้ำมหาสมุทรให้เป็นก้อนเมฆก็ไปลอยอยู่เหนือบนหนาภาอากาศต่อ น, นั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ยากลาบากกันดาน น้ำทั้งหลายคือจากก้อนเมฆก็จะต้องหยดหยาดลงมาให้พื้นปฐพีที่มนุษย์ทั้งหลายอาศัยอยู่คนทนํานาทําสวนก็จะได้อาศัยด้วยความสะดวกฉันใดผู้มีใจอันพ้นไปจากห่วงโลกีความดีทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนเมฆเมื่อเมฆเกิดเป็นฝนก็จะได้ช่วยสาธารณชนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดังนี้เป็นความดีส่วนหนึ่ง เกิดขึ้นจากผู้มีปัญญาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายให้พากันมากำหนดบทบาทสามคาถานี้คาถาที่หนึ่งจงพากันอย่าเรือของตัวคาถาที่สองจงพากันกลางใบตั้งเสาลมมีทิศใดก็จงพากันบ่ายใบปลิวไปทิศนั้นแล้วก็พร้อมด้วยการขนสเสบียงเข้าไปในเรือของตนได้แก่ การบำเพ็ญทานการกุศลให้เกิดขึ้นคาถาที่สามจงพากันกลั่นน้ำเถ็มให้กลายเป็นน้ำจืดเมื่อใครมีวิ ช, ชาเกิดขึ้นในตนโดยอาการเช่นนี้นั้นแหละอย่างต่ำที่สุดเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะต้องกลายเป็นคนดีถ้าใครไม่ประมาทมาตั้งบากบันพยายามบำเพ็ญอยู่เป็นนิดก็สามารถที่จะทําดวงจิตของตนให้พ้นไปจากภพฉะนั้น เมื่อสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันมาสันนิบาตประชุมกันบำเพ็ญกุศลในคราวนี้จึงขอฝากธรรมะทั้งหลา ย, ท, ลายที่ได้บรรยายมานี้ให้แก่ท่านทั้งหลายจงนำไปประพฤติธปฏิบัติก็จะได้พากันประสบพบเห็นตั้งแต่ความสุขความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนามีโดยดังได้แสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลา เอวังก็มีด้วยประการชนี้